เราก็มาทรรวัดเจ้าร่วมกันสองวันก่อนก็ลงไปจังหวัดระยองปอง่าลพบสหลูกใจมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เจอหลายปีแล้ว ก็สร้างสัตางคงความเชื่อให้เห็นในการพัดพลากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเกิดประโยชน์อะไรในช่วงเวลาลอยต่อที่มหายไปเราไม่ได้มีความสัมผัสสัมพันธ์เชื่อมโยงมันหมายถึงว่าวันนี้ที่เรามาเจอกันมันคืออะไร เราจะไปยังไงกันต่อไปในแง่ของกำลังใจที่ต่างคนรต่างต้องรับผิดชอบกายใจของตนของตนตามหน้าที่ที่พึงกระทําในชีวิตที่เหลืออยู่ไปส่งที่จังหวัดระยองไปดูพ่อไปดูแม่ไปดูสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งมันเป็นยังไง ก็ไปตามเหตุตปัจจัยเมื่อวานก็อยู่โรงพยาบาลศิริราชไปเยี่ยมคนแก่ผู้สูงอายุอายุ99ปีกับเจ็ดเดือนประมาณนี้เกือบร้อยปีแล้ว่อเห็นสิ่งที่มันแจ้งประจักษ์อยู่ต่อหน้าของเรา การเดินทางชีวิตมันผ่านประสบการณ์มากมายในแต่ละวันในแต่ละขณะอันนั้นคือภายนอกนะคือภายนอกเราอยู่วัดอยู่ว่าวัดป่าสุกโตล้วก็ดูภายในในจิตในใจของเราเราฝึกหล่อหัดปฏิบัติ ร, รมก็เพื่อที่อยู่สัมผัสสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับภายนอกคือโลกทั้งใบนั่นแหละจะเป็นกิจกรรมต่างๆมากมายเหลือเกินมันเกิดจากภายในภายนอกภายนอ ก, ภ า, นอกภายในเชื่อมโยงการแบบทำการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะของกายของจิตมันเป็นภายในเป็นภายนอกภาษาธรรมะเรียกว่าอาจารณะนะ รูปกระทบที่ตารูปมันเป็นอัยยาภายนอกตาหูจมูกลิน้นเป็นอัยยาภายในรวมทั้งจิตใจของเราเมื่อเราเรียนรู้การกระทบสัมผัสรู้สึกตัวเราจะได้เห็นกายร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นตักนี้ มันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเรียววิญญาณวิญญาณมันมีจิตมันมีวิญญาณทุกครั้งที่สัมผัสก็ทบรู้สึกมันเป็นจิตและวิญญาณกายของเราเป็นตัวชีวิตจีวามีพลัง การเคลื่อนกันไหวต่นตื่นยันหลับตอนัวหัวเจรตเท้าแล้วมันก็มีพฤติกรรมมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมประชุมกันต้องกินต้องกับถ่ายต้องหายใจต้องตื่นต้องหลับต้องแก้ไขให้ชีวิตมันมีพลังทั้งวันมีกําลังมันลด วิ่งก็ต้องเติมน้ำมันเติมแก๊สมันถึงจะไปได้ไกลเติมน้ำมันต้องมีสตางค์แต่ว่าจิตใจก็เราต้องมีสติสติมเป็นสัพเยในอริยสัพเยในสติทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญา เป็นอริยทรัพย์ภายในจนใจมันก็ทุกข์จนใจก็ข่าตัวตายจนเงินไม่มีข้าวกินสตางมีไว้ใช้ซื้อปัจจัย 4, 5, 6, 7, 8เงินหรือสตางเนี่ยเป็นเหรียญเป็นแบง เป็นโลหะเป็นกระดาษกระดาษก็เรียกว่าธนบัตรกระทรวงการคลังกําหนดให้ธนบัตรก็หมายถึงเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่รู้เราเป็นหนี้ใครนักต้องหาเงินไปใช้หนี้กันทําเงินทําการกันมากมายก็เพื่อที่จะมีเงิ น, ม, งนมีเงินต่อยอด เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นรูปธรรมโลกัยนี้โลกโลกยะต้องใช้เงินเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเป็นสื่อผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ทรัพย์ภายในสติสามารถชำระหนี้ไปตามกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมเราเป็นหนี้กรรม เกิดมาในโลกนี้เอาดีเข้ามาใส่ตัวพ่อแม่ช่วยเหลือเราครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเราญาติมิตรสหายช่วยเหลือเราเราก็เป็นหนี้หนี้ศักดิ์สิทธิ์คือหนี้พ่อแม่กุลบุตรไทยกุลธิดาไทยก็ใช้การบวชเป็นอุบายทดแทนบุญคุณพ่อแม่ กลนหัวกลนคิ้วนุ่งผมผ้าเหลืองผ้าขาวหรือว่าชุดชาวบ้านก็ตามก็มีการกลนหัวกลนคิ้ ว, วเป็นทรงผมที่นิยมมาสกรีนเฮดแต่ก็เรามาใชนะ้เพื่อเป็นกุศโลบายเป็นสิ่งแวดล้อมให้เราได้ใช้ชีวิตฝึกหัดไปวบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะได้อย่างละละัละ่นสั้น ปะกาตัวกนหัวน้องหมผ้าเหลืองเพื่องดเว้นความชั่วต่างๆเรียกว่าบวชปรวัชะยิ่งเรามารู้สึกตัวเนี่ยเป็นการบวชที่เข้าถึงจิตถึงใจเวลาเดินจงกรมรู้สึกตัวเวลานั่งสร้างจังหวะรู้สึกตัวมันเข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ ทุกครั้งที่มีสติมีศีลสมาธิปัญญานําเป็นชีวิตปรมจันทร์มันความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกรรมาฐานมันสร้างสติสร้างปัญญาสติก็สามารถทำให้เราได้มีอยู่มีกินทังด้านจิตใจไม่จนใจ คนโกรธคือคนจนคนโลภคือคนจนคนหลงคือคนจนอิจฉาลิษยาคือคนจนคนอาคติคือคนจนมายาสาไถ่เห็นผิดเป็นชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นคนจนไม่มั่งคั่งร่ารวยทางด้านคุณธรรมมือจะอยู่ร้อนนอนทุกขนะ์กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ อยู่กับสังคมเศรษฐกิจการเมืองอยู่กับชีวิตประจำวันก็มีแต่ความทุกข์แต่เราสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เหมือนกับชีวิตมีการเดินทางทันทีจิตใจของเราก็เดินทางสู่การละชั่วทาดีชาระจิตสู่มรรคสู่ผลทุกครั้งที่รู้สึกเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลก็ไปสู่นิพพาน ทุกครั้งที่รู้สึกตัวความเป็นปกติของจิตก็แสดงออกมาจะรู้แล้วก็รู้ฉลาดรู้เฉยๆเฉยฉลาดเฉยแบบคมในฝักรู้โรคอย่างแจ่มแจ้งได้ว่าโรคกายสะว่างศอกยาวาหนาคืบออาการต่างๆที่ปรากฏกันมาเป็นอาการของกาย ธรรมชาติของกายเป็การของจิตธรรมชาติของจิตเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมธรรมชาติของจิตแล้วก็เฉลยได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมันเห็นจริงๆสัมผัสจริงๆมันไม่ต้องด้นเดา คำนวณคาดการนเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นทำมะรรมันรรรรปรากฏสดๆอยู่ตรงหน้าของเราปัจจุบันขนนะทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนั่งเดินยือนนอนจะกินจะขับถ่ายทาหน้าที่ต่างๆเราก็ฝึกหัดซักซ้อมจนชำนาญตอน ต, ตื่นยันหลับตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกตัว หายใจรู้สึกตัวร้างหน้าล้างตารู้สึกตัวเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกความคิดเกิดขึ้นมาตรงนี้มันละเอียดเป็นเรื่องของจิตจิตวิญญาณมันรู้เรารู้ถูกแล้วมันรู้มันรู้ไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละมันแยกกันเป็นภพภูมิเป็นเปรตสนรลกสุลกายบายพรมิต่างๆ เทวดาปลมพระความเป็นปกติมันจะบอกเรานะรู้เฉยๆรู้เฉยๆด้วยเนี้ยถ้ารู้สึกตัวมันเฉยมันเฉยแล้วมันรู้สึกตัวตรงนั้นมันปลอดภัยแต่ถ้าเฉยแล้วไม่เคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวนี้ไม่ปลอดภัยจะกลายไปเป็นความสงบไปติดความสงบกลายไปเป็นความสุขไปติดความสุข มันแม่ออกมาดูเวลาทุกข์ก็ลงทุกข์เวลาสุขก็จมถูกสุขหลงละเลิงเหลิ ง, เ ร, งเราจึงถอยออกมากลายเป็นเรื่องของสภาวะธรรมชาติที่เป็นปกติธรรมดาธรรมดาสามัญที่เราว่าสูงสุดสูสามัญเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งเดินยืนนอนรู้สึกแต่ว่ามันก็จะมีอารมณ์ต่างๆออกมาให้เราได้สังเกตในทิศทาง เกาะซ้ายกอะขวาบวกบวกลบล บ, ลบหนักหนักเบาๆจิตที่มันปกติมันจะตื่นรู้ตื่นรู้รู้แล้วรู้อีกรู้ซ้ำาๆททำซ้ำ ซ, ำซำรู้ซ้ําๆทั้งวันกระทบรู้สัมผัสรู้กลไกของความคิดจิตวิญญาณมันแสดงออกมามโนวิญญาณ เราก็เห็นจิตเห็นใจของเราดูกายไปดูกายมาเห็นจิตดูจิตไปดูจิตมาก็เห็นความคิดเกิดเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมความฉลาดไม่ฉลาดเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วพอถอยไปมาเห็นสติสติก็คือความเป็นปกติสติก็คือปัจจุบันกันนะ ที่รู้สึกตัวแล้วก็มีที่พึ่งไก่นั่งไก่เดินไกายยืนไายนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นวิหารธรรมใช้กายเป็นเครื่องอยู่ในกายก็จะมีทุกอย่างเลยตาก็อยู่กับกายหูก็อยู่กับกายลิ้นก็อยู่กับกายดูงกายเห็นทุกอย่างแม้กระทั้งจิตคิด มันก็อยู่กับกายเหมือนกันประกายเป็นวัตถุรูปธรรมจิตเป็นนามธรรมอาศัยกายของเราเป็นท่าเป็นครูหาเข้าๆออกๆประเดี๋ยวก็ออกไปรูปรดกินเสียงเดี๋ยวก็เข้ามารู้เนื้อรู้ตัวไม่ลืมตัวพอเราใช้กายของเรารู้ตัวไม่ลืมตัวเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นมาเป็นกฎของกรรมฐานเป็นกฎของธรรมชาติ ถ้ารู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์นะเป็นกฎของธรรมชาติถ้าหลงตัวมันก็ทุกข์นะเป็นกฎของธรรมชาติถ้าหลงตัวคิดดีก็เป็นกรรมดีหลงไปคิดชั่วเป็นกรรมชั่วเป็นกฎของธรรมชาติเราศึกษาไปแบบธรรมเราก็ต้องเห็นกฎของธรรมเราทำกรรมก็เห็นกฎของกรรมกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วกฎของกรรม มันก็มีผลเป็นสุขเป็นทุกข์เราทำกรรมฐ า, านเราก็เห็นความเป็นปกติไม่สุขไม่ทุกข์ถึงทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานถึงสุ ข, ขก็รู้อยู่มันสัมผัสแต่เพราะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างเช่นวันนี้เราจะมีคอร์สประจำเดือนอีกเจ็ดวันเต็มเต็ม มันจะมีการฝึกกันหัดกันทำงไงถึงแยกวัดป่าสุขโตนะเนี่ยมันเป็นมหาลัยชีวิตของคนทุกคนที่ชี้นำหลักวิชาการกรรมฐานสติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหวเนะี่ยมันชัดเจนชวขึ้นไปชี้นำสร้างกระแสเนี่ยให้ทุกคนไม่ต้องหลงทิ่ลงทา ง, งเจวิลัเวลาคลัม มาถึงก็มีสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเมื่อวานเราลงรถมาปั๊บเห็นสิ่งแวดล้อมเลยนะหลังจากทำวัดเย็นประมาณทุ่มเสร็จเร็จมาถึงประเดก็เห็นสิ่งแวดล้อมใต้ทุนสลานะมีพระมีแม่ชีมียมวลาโศกบรรยกาศเดินเงียบๆตรงนี้ลำเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นบรรยากาศทําให้ผู้ที่เข้ามาเกิดศรัทธา เห็นแล้วอยากเอาอย่างเห็นแบบเห็นอย่างอยากทําตามแล้วพอทําไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการหลอกกันเราก็จะรู้ได้ตัวของเราเองทุกรสลงจริงหรือไม่ปัญหาเก่าๆแก้ตกหรือไม่ก่อนเข้าวัดปัญหาเก่าๆมีมากมายปัญหาเรื่องรูปเรื่องร้านเรื่องญาติพี่น้องเรื่องสังคม ความเป็นอยู่ทิศทางของชีวิตเราก็มั่นใจแล้วว่าการมาวัดมาวามันก็จะได้ที่พึ่งเนื่อาที่พึ่งภายในกลับไปพร้อมที่จะไปเจอโลกกว้างต่อไปปัญหาเก่าๆแต่ว่าผ่านได้เป็นปัญญาเรียกว่าเข้าวุ่นวายแล้วไม่วุ่นวาย้าสับสนแล้วไม่ได้สับสน ก็มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาก็ไม่รักเราแล้วก็รักเขาก็ไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเขาเมตตานี่ไม่มีสติก็เป็นสเสน่หาถ้าเมตตามีสติก็เป็นเมตตาที่พาไปสู่สันติสุขสันติภาพเป็นเมตตาเก้าหน้านะเมตตาเสื่อมโทรมเมตตาถอย ห, หลังนำไเปนหน้าของ เมตตาที่ใช้ปัญญารอได้คอยได้มีจังหวะชีวิตเราก็เลยฝึกหัดกันให้เห็นสภาวะของเมตตาก็นามเมตตาเบียขาให้เห็นเทวดาปลมอายชั่วกลัวบาปให้เห็นการเดินทางสู่การพ้นทุกข์โดยการมีสติปัฏฐานมีศีลมีสมาธิมีปัญญา สติสัมปัญญาสติปัญญาคนจะร่วงทุกได้กัเพราะปัญญาคนจะร่วงทุกได้กัเพราะความเพียนให้เห็นตรงนั้นเราก็จึงขยันกันตอนตื่นยันหลับขยันที่จะเดินทางวิรยิยโทกมามเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพี่ยนะ เราก็จึงขยันเคลื่อนไหวตามเทคนิคแนวหลวงปู่เทียนกันเต็มที่กายเคลื่อนไหวใจรู้ไกายทำอะไรใจทําด้วยขยันเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กายเคลื่อนไหวใจรู้เป็นลูกโซ่นั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับว็บตาหายใจรู้สึกตัวหันซ้ายหันขวาทํางานทําการหยิบจับไม้กวาดจักผ้าจักผ่อนรู้สึกตัวทําอาหาร ทำงานทําการนั่งรถลงเรือไปเหนือลองใต้รู้สึกตัวอย่างเมื่อวานนีตอนอยู่ตรงโคง้งตรงก่อนถึงปาิมาณก็มีประสบการณ์รถทางโค้งไหลลงเนินแล้วก็ขับมารถมันก็เข้าโคง้งมายุ่ก็แหกโคง้งรถกระสวนขึ้นมา เบรกมันก็เบรกไม่อยู่ว้าไม่อยู่มันก็ถลหลลื่นแล้วถึงนี้ประมาณสักสองเมตรนะมันก็เลิกะยศนะมันเบรกเอาไม่อยู่มันะยศนะรถนะมันก็หักหลบพ้นพอดีเฉียดชิวเราก็เห็นลวอรถแรงเบรกดีคนขับ มีสติปลอดภัยเหตุการณ์รายเปลี่ยนเป็นดนะีปัญหาจดขับขันเกิดขึ้น ม, มันผ่านตลอดนะคนมีสติมีปัญญาเป็นอย่างนั้นมารู้จักหลบจากหลีกก็ผ่านมาได้แบบคนหัวลุกกันทักสติแต่ลําเป็นนักเดินทางกันนักใช้ชีวิต อยู่กับโลกใบนี้มีอะไรให้เราได้ศึกษาให้เราได้มีประสบการณ์ผ่านตลอดสติปัญญาเหมือนจะเป็นอย่างนั้นทั้งเราไม่ประมาททั้งเขาไม่ประมาท ถ, ถ้าเขาประมาทแล้วก็พ้นบางทีเราพลาดพังบางครัง้งบางคราวประมาทไปนิดไปหน่อยก็กลับมาได้ไวเนี่ยเป็นอานที่ส่งทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม การทำบุญทำทานรักษาศีลการเข้าสู่จิตตภาวนานะกระพายเราได้ใช้ชีวิตอย่างผาสุกแคล้วคลาดตรงนี้ลำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความอาัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่เราก็จะไม่ไปล่อยโอกาสนี้ให้ชีวิตเราล่วงไปล่วงไปล่วงไปโดยที่มองผ่านประโยชน์ของพุศาสนาของการปฏิบัติธรรม เราก็จึงมารวมตัวนะศึกษากันวันนี้นะบางทีบางคนก็มาอยู่ในในคอร์สเจ็ดวันนะก็จะมีการเรียกว่าพาการทำนะพานัง่งพาเดินพาเยือนพานอนนะในบรรยากาศของกราเมตนะที่เราเห็นว่าการเผยแพร่และการบอกต่อนะอันนี้จำเป็นกลับไปจังหวัดระยองนี่สังคมสับสนวุ่นวายนะ ตอนนี้สถิติการค่าตัวตายของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดระยองชนบุรีไม่ใช่ลําพูแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นชนบุรีระยองคนนี้อยู่กันอย่างแออัดมากคนนี้ไปแทบไม่รู้จักกันเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ไปอยู่กันเต็มไปหมดเลยเราเห็นแล้วว่าเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยหาจ้ากินข้าเศรษฐกิจสังคมการเมือง ทำให้คนเป็นโรภประสาทประสาทเสียกันมากเของระจุมชนนี้จึงบอกการเรื่องการปฏิบัติธรรมฝึกสติฐานสีการเกินการไหวแนวเกินไหวแต่ละขณะสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวให้มากเท่าที่จะมากได้อย่าง น, น้อยคนที่ฝึกกลับไปจะได้หลักของชีวิตบ้างตามสมควรแก่การปฏิบัติตามกำลังของสติของปัญญา อันนี้เราจะก่อประโยชน์ต่อไปเป็นสันติสุขสันติภาพเข้าสู่สังคมที่เมื่อกี้เราสวดกันมงคลสามสิบปดตอนนั้นมันเกิดจากการมีปัญญามนุษย์ถามพระเจ้าเทวดาถามพรเจ้ามงคลชีวิตมันคืออะไรเมื่อกี้เราก็สวดกันสามสิบปประการในนั้นก็จะมีเรื่องการฝึกจิตอยู่ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง หรือว่าเราเป็นผู้สงบหรือว่าเห็นผู้อื่นเขาสงบเงี้มันก็เป็นมังกระเป็นมงคลทำให้ชีวิตของเราเกิดกำลังใจเกิดพลังอันนี้เราก็ศึกษากันการสวดนก็มงคลส8สอ่านจากตำรับตำราห น, นังสือเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาตาม แต่พอเราลงมือปฏิบัติรมปั๊บอนี้มันจะเกิดจากสภาวะข้างในของเราอาการต่างๆมันจะบอกอาการคิดการพูดการทำคิดอย่างนี้ดีเป็นเทวดาพูดอย่างนี้ดีเป็นเทวดาเทวธรรมทาอย่างนี้ดีเป็นความสุขเป็นบุญเป็นเทวดาทำไปแล้วมันจะให้ผลกี่วันกี่เดือนกี่ปี เราจะเลิกนึกถึงร่องรอยความดีของเราอีกนานแค่ไหนแล้วเราก็จะต้องเติมเชื้อบุญไปอีกเรื่อยๆเท่าไหร่มันจะรู้เช่นทํางานจบนี้เศรษฐกิจจากการทํางานได้เงินมาหรือว่าได้คําสรรเสรลอย์เยนยอนานแค่ไหนก็ถึงจะค่อยๆเลิกพูดเรื่องความดีของเราแล้วทำชั่วก็เหมือนกัน ตกนรกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเงี้ยเราทําสิ่งนี้ไปก็จะนินทาเราอีกนานเท่าไหร่เราจะได้เห็นเลยคลื่นชีวิตมันมาเป็นละลอกเป็นละลอกเป็นละลอกเราจะได้เห็นอันนี้เรียกว่าตาทิพตาในประเดี๋ยวทำตาที่3เป็นตาทิพตาเนื้อตาสองตาแต่ตาในมันจะเห็นอาการต่างๆธรรมะเห็นธรรมะ มันจะเกิดจากสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเราก็จึงกลับมาหาพระนิพพานเราไม่ได้ไปหาพระนิพพานที่ไหนแล้วจริงกลับมาหาตัวเองทุกครั้งที่กลับมาหาตัวเองนะพระนิพพานก็อยู่ตัวเราเรากลับมาปกติเราหลงไปกับโลกกว้างหลงไปทางตาหูจหมูกอินกายใจหลงไปสัมไปแบบ น, นี้เราสัมมามาสัมมาสัมพุทธะกับปรากฏพุทธะจิติมรู้ตื่นบิกบานปรากฏ ทีนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยขนาดนี้เลยไม่ต้องรอขนาดไหนกลับมาทันทีวันนี้ผ่านทันทีอยู่แล้วเราก็จึงกลับมาหาตัวเองกันตรงนี้แหละจึงเป็นเทคนิคปฏิบัติเทคนิคการฝึกกรรมฐานกลับมาหาตัวเองกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตรงนั้น แล้วตอนนี้พูดมาครึ่งยัามโมงเห็นว่าสมควรแก่เวลากลับพระพร้อมกัน